เรื่องเล่าผีหลอนตอนไปรับศพคุณพ่อที่สถาบันนิติเวศวิทยาเรื่องราวที่คุณผู้ฟังจะได้ฟังกันต่อไปนี้เป็นประสบการณ์ของท่านสมาชิกเว็บพันทิปย์ท่านหนึ่งโดยเจ้าของเรื่องได้เล่าว่าตอนนั้นบ้านของเราอยู่ใกล้ๆโรงพยาบาลตำรวจ และก่อนที่คุณพ่อจะเสียก็มารักษาตัวที่นี่เสมอพอคุณพ่อเสียชีวิตที่โรงพยาบาลแห่งนี้ด้วยโรคทางอายุรกรรมความที่คุณพ่ออย่าร้างกับคุณแม่และแม่กับญาติญาติก็อยู่ต่างจังหวัดกันหมดเราซึ่งอยู่กับคุณพ่อแค่สองคนก็เหนื่อยมากๆไหนจะต้องไปติดต่อวัดเคลียร่าารักษา แจ้งขอใบมรณะบัตรที่เขตปทุมวันซึ่งศพของคุณพ่อนั้นทางโรงพยาบาลตำรวจได้นำไปเก็บไว้ที่สถาบันนิติเวศวิทยาคุณพ่อก็อยู่ที่นั่นตั้งสองวันกว่าที่เรากับคุณแม่และญาติๆจะนำาลงมาบรรจุศพไปวัดก็เป็นวันที่สามแล้วหลังจากที่พ่อเสียชีวิต โดยทางเราให้ร้านขายโลงซึ่งทางเจ้าของร้านเป็นคุณพ่อของเพื่อนมารับศพไปวัดและพ่อของเพื่อนเจ้าของร้านโลงก็รู้จักสถาบันนิติเวศวิทยานิดีวันที่เราไปรับศพคุณพ่อมีคนมารับศพเยอะมากๆรอคิวยาวมากก็อย่างที่ว่า ที่นี่เป็นที่รวมศพไม่มีญาติที่รถจากมูลนิธิต่างๆไปเก็บศพมาจากทั่วกรุงเทพและปริมณฑลพ่อของเพื่อนเห็นว่ารอนานท่านก็เลยพาผมเดินเข้าไปด้านในโดยอาศัยความคุ้นเคยแล้วรู้จักกันกับเจ้าหน้าที่ข้างในเพื่อขอติดต่อรับศพก่อนท่านพาผมเข้าไปตอนราวสิ1 1อมงนาที แล้วท่านก็ให้ผมเดินผ่านห้องพิธีการศพซึ่งเป็นสถานที่ที่ให้ญาตินำลงมาบรรจุศพตรงนี้แต่พ่อของเพื่อนพาเข้าไปด้านในเลยและภาพที่ผมเห็นก็คือมันคือศพที่ถูกถอดเสื้อผ้าล่อนจอนตัวแข็งทื่อถูกนำมาวางซ้อนๆกันในเตียงเข็นเตียงละสองถึงสามศพผู้หญิงผู้ชาย วางซ้อนๆกันไปเพราะสถานที่คงคับแคบและไม่มีพื้นที่พอที่จะวางเตียงละศบและเจ้าหน้าที่ต้องถอดเสื้อผ้าเพื่อทำความสะอาดศพที่มีอยู่เป็นจำนวนหลายสิบศพซึ่งอาจจะถึงหลักร้อยด้วยซ้าในแต่ละวันเราเดินผ่านห้องทำงานนี้ไปด้วยความสยองเหมือนในหนังสยองขวัญไม่มีผิดและในที่สุด พ่อของเพื่อนก็ให้เรามายืนรอด้านนอกอาคารเป็นลานปูนโล่งๆขนาด20คูณ20เมตรเป็นที่วางศพที่มูลนิธินำมาส่งใหม่ๆโดยห่อผ้าขาวมาเอามาถึงก็แกะผ้าขาวออกโชว์ศพให้นอนหงายตาลืมโพรงทุกศพแบบศพที่มีเลือดเลอะเทอะก็วางตรงนี้เลยกองกับพื้นปูนไม่ต่ำกว่ายี่สิบศพ ในเวลานั้นคือพ่อของเพื่อนเขาให้เรายืนรอตรงลานนี้เขาขึ้นเป็นนำศพคุณพ่อเรากับเจ้าหน้าที่ท่านหนึ่งข้างบนอาคารใหญ่ส5บห้าชั้นที่อยู่ถัดไปจากอาคารหลังนี้โดยเจ้าหน้าที่บอกว่าคุณพ่อผมเสียมาสองวันกว่ากลัวศพเนา่าจึงนำไปเก็บในห้องเย็นบนอาคารจะไปนำลงมาให้ให้ผมยืนรอข้างนอก พอพวกเขาขึ้นไปได้สองถึงสามนาทีก็ถึงเวลาพักเที่ยงบรรดาเจ้าหน้าที่ที่ทำงานกับศพเดินออกไปกินข้าวกลางวันไปกันหมดทั้งเจ็ดแปดคนแล้วเราก็ยืนรออยู่คนเดียวมองบนพื้นปูนก็มีแต่ศพทั้งนั้น มองไปในอาคารก็จะเจอศพเปลือยวางซ้อนๆกันบนเตียงเข็นตัวแข็งทื่อเหมือนตุ๊กตาเพราะตายมาหลายวันเส้นเอ็นตึงแต่มีข้อสังเกตอย่างหนึ่งก็คือผู้หญิงจะไม่มีหน้าอกหน้าอกจะแบนไปหมดถ้าไม่สังเกตเอวัยวะเพศก็นึกว่าเหมือนผู้ชายดีๆนี่เองผมมองดูจนกลัว แล้วเสียงแอร์เสียงเครื่องต่างๆมันก็ดับหมดเพราะคนไปพักกลางวันกันข้างในก็เงียบหันมามองศพใหม่ๆที่วางบนพื้นใกล้ๆคนแก่ตายแบบคนจรจัดนอนตาลืมโพร่งตัวดำผอมรีบในชุดเสื้อผ้าเก่า มีผู้หญิงสาวคนหนึ่งหน้าตาแบบคนเชื้อจีนแต่ว่าคนเชื้อจีนถ้าตายแล้วสีผิวจะเหลืองคือขาวเหลืองผมก็เพิ่งจะรู้วันนั้นเองว่าพอคนขาวตายผิวจะเหลืองผู้หญิงสาวคนนี้อายุยังวัยรุ่นนอนตายเหมือนคนนอนหลับเลยถ้าผิวไม่เหลืองก็คงไม่รู้ว่าตายแล้วผมก็มองไปที่ศพเล ะ, เละ ประเภทรถชนตายเปื่อนเลือดมองแล้วสยองเลือดเคละอทั้งนั้นมองไปมองมาก็แงนหน้าขึ้นฟ้านึกถึงเรื่องงานศพคือพยายามบ่ายเบียงความสนใจของตัวเองเพื่อที่จะไม่มองศพ บ, บนพื้นอีกพ่อของเพื่อนก็ยังไม่มาสักทีไม่มีเก้าอี้ให้นั่งด้วยไม่รู้จะหลบไปทางไหน และอีกอย่างก็คืออยากรับศพคุณพ่อไปวัดเร็วๆเรามารอคิวตั้งแต่เช้าคนเยอะถ้าเราหายไปเจ้าหน้าที่ก็อาจไม่ช่วยนำศพออกต้องรอถึงตอนเย็นคงแย่ผมรอจนถึงเวลาเที่ยงครึ่งก็เห็นเจ้าหน้าที่เข็นร่างคุณพ่อออกมา ที่เขาให้เรารอก็เพราะว่าจะให้เรายืนยันว่าใช่พ่อของเราไหมเขากลัวเข็นมาผิดศพคุณพ่อเราเหมือนคนนอนหลับหลับแบบสนิทเลยดูไม่เหมือนคนตายแม้แต่นิดเดียวเราก็นำเอาเสื้อผ้าชุดโปรดของคุณพ่อมาสวมให้และก็นำร่างบรรจุโลงเราก็ช่วยกันยกใส่จุดทูบเชิญวิ ญ, ญญาณตามความเชื่อ นั่งรถกระบะนำศพไปวัดตามลำดับขั้นตอนตามปกติวันนั้นกว่าจะสวดพระอภิธรรมเสร็จวันแรกเราก็เหนื่อยมากนอนตอนสี่ทุ่มกว่าแล้วก็ฝันว่ามีคนไม่รู้จักมาหามากมายทั้งผู้ชายและผู้หญิงเยอะแยะเต็มไปหมดมาคุยมาทักทายพอเวลาผ่านไปในความฝันเราก็นึกถึงศพที่วางกองในฝัน จึงเห็นศพเยอะแยะเต็มไปหมดจนสะดุ้งตื่นเราฝันแบบนี้สามคืนติดๆช่วงงานศพคุณพ่อเราก็ไปเล่าให้คุณแม่ฟังคุณแม่ก็เล่าให้พระในวัดที่จัดงานศพฟังท่านจึงรดน้ำมนต์ให้และให้แผ่เมตตาเยอะๆถามญาติๆผู้ใหญ่ท่านก็บอกว่าคนตายที่สถาบันตามมาอาจจะมาขอให้ช่วยทาบุญให้เขา แต่ก็แปลกครับพอรถน้ำมนวันนั้นแล้วผมก็ไม่ฝันอีกเลยทำบุญแท่เมตตาให้พวกเขาตามคำแนะนำของพระท่านก็ไม่เจอฝันร้ายมารังควานในแบบที่เคยเจอมาอีกเลยและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดครับ